พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบแปดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคบน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่31อธันวาคม2556มีชื่อเรื่องว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนต่อไปตั้งใจฟัง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 วันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้กล่าวสโมโธธนิยกถาหรือว่ากล่าวสังเวธธนิยกถาแต่วันนี้จะได้กล่าวเรื่องบุคคลที่ควรบูชาปูชาจะปูชนียานังบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลเช่นไร อันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุคคลเป็นกลุ่มที่ควรบูชาจากนั่นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่มีคุณอุปการสาหรับเราเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างองค์หลวงปู่จามของพวกเราที่ท่านจุติไปแล้วนี้ก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งบุคคลหนึ่ง วันนั้นหลวงพ่อจึงได้กล่าวมืงบุคคลที่ควรบูชาควรทําตนอ่อนน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันนั้นหลวงพ่อเองวันนี้ก็จะได้กล่าวเรื่องบุคคลที่ควรบูชาและก็พร้อมกันก็จะได้กล่าวสังเวทนิยกถาคือความฉลดสังเวทใจที่พวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังองค์หลวงปู่ของเราที่รักเคารพ ท่านได้จากไปจากพวกเราไปไม่มีวันกลับแล้วก็พวกเราก็ได้แสดงออกซึ่งความกตัญจูกะตะเวที่ตาได้แสดงออกอย่างมาช่วยงานต่างคนก็ต่างมาช่วยงานถ้าจะให้คนเดียวทำงานอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคงจะทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ใ้พวกเรา อาศัยความพร้อมเพียงสามาัคคีกันช่วยกันทำคนละไม้คนละมือใครคิดอันไหนออกที่จะเกิดประโยชน์ต่อองค์หลวงปู่ก็พวกเราก็ช่วยกันและก็พร้อมกัน เ, เมื่ อ, อยังคิดที่ใครเห็นประสบปการที่ไหนก็มาหันหน้าขอหากันปรึกษาปารับรบกันจากนั้นก็ได้เอาสิ่งที่ได้ พบได้เห็นณสถานที่ต่างๆเอามายกขึ้นมาและจากนั้นก็ได้ช่วยกันจัดช่วยกันทําให้งานของลุงปู่สําเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละอันนี้ก็คืออันหนึ่งแต่เรื่องอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นกําลังที่อยู่ในเมนนว่านกหัจะดีลิง แต่พงทางอีสานของเรายัางไม่เคยเห็นแต่เห็นทางจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดเชียงใหม่แต่ถือเป็นธรรมดาถ้าว่าผู้ที่รู้จักมักคุ้นในชุมชนสังคมอย่างเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่รู้จักในชุมชนสังคมหรือเป็นขหบดีที่มั่งคั่งสมบูรณ์เป็นคนมีเงิน ในท้องถิน่นลูกหลานทั้งหลายเขาขอเนี่ยทำนกหัดจดีลิงเป็นเครื่องเชิดชูบูชาให้ปรากฏเห็นว่าไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนมีฐานะที่จะต้องมีนกหัดจดีลิงเป็นเอกลักษณ์หรือ เ, เป็นสัญลักษณ์บอกกล่าวว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่มีคน มีทรัพย์สมบัติในชุมชนของเขาแต่ทางอีสานนี่ยังไม่มีของปู่จามทำไมจึงมีเพราะว่าหลวงพ่อจะเท้าขอเท้าความให้กับคณะสัตาายาธิโจมลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังว่าหลวงปู่จามทำไมนึงจึงมีนกหัดชะดีลิงมาเป็นสั ญ, ญลักษณ์หรือเอกรักหรือว่าเป็นเครื่องเชิดชูบูชาวงหลวงปู่เราเพราะหลวงปู่เราเมื่อท่านบวช เมื่ออายุ29ปีนะหลวงปู่จามบวชจากด้านท่านก็บวชเสร็จแล้วก็ท่านก็ขึ้นไปจำพรรษาทางภาคเหนือทั้งลำปางทั้งลําพูนทั้งเชียงใหม่ทั้งเชียงรายแม่ห้องสอนจังหวัดน้านแทบๆนั่นแหละทั้งแผ่ภาคเหนือทั้งหมดถ้าหลวงปู่จามถามท่านดูท่านก็รู้จักหมดในทางภาคเหนือแล้วก็เป็นท่านเป็นนักเทศเอีก นักแสดงทำแก่ให้แก่พี่น้องประชาชนในภาคปฏิบัติด้วยท่านจึงไปทุกหัวละแห่งของทางภาคเหนือตั้งแต่ลำปางเป็นต้นไปแต่ทีนี้ท่านมาเทศนาแถวจังหวัดลำปางก็มีโยมที่รู้จักมักคุ้นกันเรียกว่าลมเข้ากันพูดง่ายๆแต่เป็นพ่อค้าเป็นพ่อเลี้ยงเป็นผู้มีฐานะดี เออต้องเคารพนับถือได้องค์หลวงปู่อย่างมากหลวงปู่ก็พูดถึงบ่อยโยมคนนี้แต่ท่นนี้ท่านก็เทศนาหยุดจังหวัดลำปางพ่อเลี้ยงคนนี้ก็ให้ความเคารพติดสอยห้อยตามองค์หลวงปู่จากนั้นหลวงปู่ก็ขึ้นไปอยู่ทางเหนือแล้วก็กลับมาทางอีสานแต่ลูกชายของโยมที่ว่าที่ติดสอยห้อยตามของ หลวงปู่ของเราเนี่ก็คือหลวงปู่ไพโบูนเทนนี่ยหลวงปู่ไพโบนที่ท่านได้ออกบวชเขาคงจะเป็นอุปนิสัยเกี่ยวเนื่องที่พ่อของท่านก็ได้ศึกษาธรรมะหรือว่าหลวงปู่จามในเทศธรรมะให้พ่อของท่านท่านก็คงจะแนะนําสั่งสอนลูกของท่านแต่นี้ลูกชายของท่านก็ได้บวชบวชแล้วไม่ศึกเลยเดี๋ยวนี้ท่านก็ได้เป็นเจ้าคุณ เทพด้วยเจ้าคุณราชรหลวงพ่อก็ไม่มั่นใจสงสัยจะเป็นเจ้าคุณเทพมากกว่าเป็นพระกรรมฐานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแถบนั้นแปลว่าโด่งดังแต่ท่านอยู่ที่จังหวัดพะเยาก็ในเขตภาคเหนือแต่ทีนี้ท่านก็เมื่อลุงปู่จามมรณะภาพลงไปท่านก็อยากจะแสดงความกตัญญูและความเคารพในองค์หลวงปู่ของเรา ท่านเด็กมาแล้วก็มากราบคารวะท่านขึงแสดงความจำนงอยากจะทำนกขัดจีรีเล่งเป็นสัจลักษ์เอกครักเพราะว่าหลวงปู่จามไปอยู่ทางภาคเหนือหลายปีนี่แหละอันนี้คือสาเหตุนะคณะสัทยาญาติโจมลูกหลานอยากท่านท่านจึงได้มาพูดกระสมพานคือท่านอาจารย์แยก้วฉะนั้นก็ตกลงกัน ท่านก็ได้น่ะจะมาทำนกหัดจีรีลิงเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่แต่นกหัดจีรีลิงตัวนี้ก็ดูดูแล้วไม่ใช่ราคาถูกมันกันนั้นศรัทธาญาติโยมแต่ถึงยังไงก็ศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาคือเคารพในองค์หลวงปู่ท่านก็เสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์ทุกอย่างอย่างกำลังประกอบอยู่ณปัดนี้ แต่คิดว่าอีกสักสองสามวันการประกอบคงจะเสร็จสิ้นพวกเรากคงจะได้เห็นนกหัดจะดีลิงเป็นยังไงแต่นี้คณะสัตยาญาติโยมก็คงจะถามว่านกหัดจะลียงดิง เ, เป็นมาอย่างไรมันมีหรือเปล่าหรือว่าเป็นนกนิทานหรือเป็นนกอะไรพวกเรากคงจะสงสัยอีก อ, อย่างเมื่อเมื่อพญาราชสีอย่างนี้แต่พวกเราเห็นแต่สิงโต สิงโตกับเสือนะแต่ราชสีนี่เป็นอย่างไรหรือพญานกขจดีลิงนี่เป็นอย่างไรอันนี้เป็นนกป่าฮิมพานนะในพระไตรปิฎกมีไหมมีนกในพระไตรปิฎกท่านพูดบอกกล่าวเอาไว้ว่าราชสีเนี่ยเป็นสัตว์เป็นพญาสัตว์เป็นผู้มีอำนาจคล้ายๆกับว่าสัพพสัตว์ทั้งหลายกลัวหมด เวลานอนก็นอนแบบราชสีห์คือนอนตะแคงขวานรสราชสีห์เขานอนตะแคงขวาในเขานอนอยู่ในถ้ำเวลานอนเน่ยเขาจะเหยียดขาแนบกันทั้งขาหน้าขาหลังจากแล้วเขาจะคาบก้อนหินคาบก้อนหินมาวางไว้ที่มือของเขาที่ขาหน้านะฮะเขามาคาบเสร็จแล้วแล้วเขาก็นอนนอนแบบไม่กระดุกกระดิกเลยนะฮ7วันฮะ พอนอนตื่นขึ้นมาแล้วถ้าว่าก้อนหินตกจากขาขาหน้าของเขาที่วางไว้นะ่ยเขาจะไม่กินอาหารเขาจะนอนต่ออีกนอนนอนด้วยความระมัดระวังอีกขนาดนั่นหละอันนี้คือมาในพระไตรปิฎกนะพวกเราก็พูดตามพระไตรปิฎกที่ท่านได้ได้บอกกล่าวเอาไว้อันนี้คือพญาราชสีแต่ถ้าว่าพญาราชสีเนี่ยออกจากถ้ำแล้ว แผดเสียงไปที่ไหนถ้าอยู่ใกล้คนก็แก้วหูแตกเออเป็นสัตว์ที่มีอํานาจเป็นสัตว์ที่เอ่อมีศักยภาพสูงอันนี้คือมาในพระไตรปิฎกแต่ได้มาพูดถึงนกขัดจีลิงเถิดนกขัดจีลิงเนี่ยในพระไตรปิฎกปีไหมท่านกล่าวถึงอยู่เหมือนกันนะพระนัตตาญาติโยมนกขัจดจีลิงเนี่ยเราถ้าเราได้อ่านเรื่องนาง สามาวดีนางมาคันธยาและกไปเจ้าอุทเทน เ, เราจะได้รู้เรื่องโคสกะเศรษฐีเราจะได้รู้ว่าเรื่องของนกัจดีลิงเนี่ยจะได้พบในตอนหนึ่งแต่สรุปแล้วก็คือนิทานหลายหลายเรื่องทอี่จะเป็นโคสกะก็ดีไปเจ้าอุทเทนก็ดีนางมาคันธยาก็ดีนางสามาวดีก็ดี ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าให้สํานึกถึงกรรมกรรมคือการกระทําถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองถ้าใครกรรมทากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะกาตามสนองบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในชุดนี้แนหะแต่ทีนี้หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับนกขันธ์จรีเลงเนี่ยเป็นมาอย่างไร นกฮัตซรีลิงในพระไตรปิฎกนั้นท่านบอกว่ามีพระเจ้าเมืองอุเทนแต่ไม่ใช่อุเทนนะคงจะเป็นพระเจ้าอุเทนมีปราสาทอยู่เจ็ดชั้นในพระบรมมหาราชวังทีนี้มันหน้าหนาวอย่างนี้ล่ะหน้าหนาวอย่างเนี้ยพระเจ้าแผ่นดินกับอคคมเหสีที่ทรงขันแก่ให้เขาว่า มีท้องอายุมากแล้วอายุแปดเก้าเดือนที่จะคลอดบุตรแล้วแต่ก็อยู่ข้างบนอยู่บนตากแดดอยู่ชั้นบนปราศาสตร์ก็คงจะนั่งคุยกันนอนคุยกันอย่างนั้นแหละทีนี้นกหัดจะลิง่งมาทางอากาศบินมาทางอากาศพอมาเหน็นนางที่เป็นอัคคมเหสีเนี่ย หมผ้ากําพลสีแดงหมผ้ากําพลสีแดงพอนกเห็นว่าเป็นคงจะเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อเป็นเนื้อเพราะมันสีแดงมันก็เลยบินโฉบลงมาจากอากาศพระเจ้าแผ่นดินที่นั่งอยู่ด้วยกันกับอะคาเมเฮสีทั้งที่จะต่อสู้ต่อสู้นกนะอพระเจ้าแผ่ดินเอาตัวรอดท่นี่ง กระโดดขยเเยงเข้าไปในหาที่มุมมุมหลบพราะั้นนี่นแหละตามไม่จริงพวกเรานะแม่บ้านทั้งหลายเนะไม่น่าไว้ใจเหมือนกันนะทั้งที่จะไปด้วยกันอพอถือข่าวมานพ่อบ้านาเะขยเงเลยโดดหนีเหมือนอนางเนี่ยก็มีท้องท้องใหญ่ UI, หอุยอ้ายแต่ขณะที่นั่งคุยนอนคุยกันนั่งคุยกันนางก็ถอดแหวนธรรมรง คือแหวนกาหรือแหวนธรรมหลวงนะ่ยมาสวมสวมใส่มือของตัวเองเลยถอดจากแหวนของพระเจ้าเป็นดินแล้วก็มาสวมใส่มือตัวเองใกล้เข้ามาถอดมาสวมสวมทดลองดูลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ได้กระโหมผ้าสีแดงจากนั้นนกหัตถ์จีรีลียนกับบินโฉบลงมาทางอากาศมาแล้วก็จุ้มเอาอาคมเหฮสีของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าเป็นดินก็หลบหนีเข้าไปอยู่ใน ในในบ้านที่หลบแต่ดเดียนกขจดีลิงขยุ่มได้อากามเหสีก็อยู่ในอุ้ ง, งมือของพญาฮัตนกนกขจดีลิงแสดงว่านกขจดีลิงเน่ยนเป็นคงจะเป็นสัตว์ใหญ่นะขนาดขายุ่มลงไปเนี่ยขยึดขนาดอยู่ในอุ้งมือของนกขจดีลิงคือไม่ถูกเล็บของมันอนะ่ะใครขามันเกาะจับไดแล้วก็บินหดขาขึ้นไปก็ไปเลย แต่อคมเหตสีนี่ก็ตั้งสติได้โอ้ถ้าเราโวยวายขึ้นหร้องอยู่เดี๋ยวที่มันอาจจะปล่อยเฮ้มันอาจพอได้ยินเสียงเรามันคงจะปล่อยปล่อยเราลงไปตกลงไปในพื้นดินตายแน่ฮนางนี่กับมีสติสมดีวะงั้นอ่ะไม่กระดูกกระดกเนมันกับนกนี่นก็พาบินเน่ะเข้าไปนุน่นเข้าไปป่าดงป่าหิมะพันที่มันเคยอยู่นั่นอนะ่ะคงจะบินเร็วมั้ง พอไป้ถึงไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นงิ้วนะต้นงิ้วใหญ่ที่มันเคยกินอาหารตรงนั้นมันก็เลยวางวางถึงหง่าครบของต้นงิ้วพอวางก็บลงไปแล้ยนางคนนี้ก็เลยตะโกนแท้เป็นภาษาคนขึ้นว่าร้องอย่างแรงเลยนกขันชะดีลิงมันก็กลัวมันนะกลัวคนแนทะ้มันโอ้คนแต่เนี่ยมันไม่ใช่ชิ้นเนื้อเนี่ยมันก็เลยวางพอวางเสร็จมกกันก็ไปของมันเลยแต่เนี่ย พอไปข้งมันที่นางนนอัคคามเหสีก็อยู่ในง่าคบของต้นไม้ต้นนั้นท่นี่พอตกกลางคืนมา น, นางนนก็คลอดบุตรทเนี่อพอนางคลอดบุตรบุตรก็ออกผลก็ตกกี่ต่างหากเนี่นะคนที่จะใช้กรรมจากด้านขะพอพุพ่งในเช้าเศรษฐีลือสีนก็คงจะหนาวไปหากินที่อื่นไม่ได้มีลือีอยู่แถบนั้นนะ แต่ความเป็นมาของลือศีนี่ยก็ลือศีเนี่เป็นเพื่อนกันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินเมืองลาวกับพระเจ้าแผ่นดินเมืองขเขมรลักษณะอย่างนั้นแหละแต่รู้จักมักคุ้นกันก็เลยชวนกันอ้เราไม่รู้จะอยู่ไปทําไมของราชสมบัติคอยวันตายเท่านั้นเองอยู่ไปก็ตายแล้วจะมีความสุขอะไรพวกเราหนีไปหาบํำเพนตะปะอยู่ในป่า เป็นบวชเป็นลือศีสมัยดีกว่าเล้ออย่างน้อยก็เมื่อตายไปแล้วพวกเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมดีกว่าเราจะมานอนคอยตายอยู่ที่เป็นคารวาสอย่างนี้คือเศรษฐีท่านคุยกันเอ่ยบิดพระเจ้าเป็นดินคุยกันจากนั้นก็เลยชวนกันออกไปบวชอ่ยไปบวชอยู่ในป่าปอย่ยประโยชน์ในป่ากับบำเพ็ญอยู่ด้วยกันเพราะคนถูกกันกับคุยกัน สนทนาปาลบกันไม่มีอันจะได้ภาวนาที่ไหเพราะว่าคุกครีกันมากเกินไปเศรษฐีฤาษีสองคนเออพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยฌ า, านสมาบัติหรือสมาธิพวกเราคงไม่เกิดแน่เพราะว่าพวกเราคุยกันมากเกินไปคุกครีกันมากเกินไ ป, นกกนไปพวกเราควรจะแยกย้ายกันไปอยู่คนลูภูเขาดีไหมฤาษีฤาษีสองคนคุยกันเออดีว่ะเพราะว่า เราจะได้ตั้งใจภาวนาของใครของเราพอเราเสียสะลสะรากสสมบัติออกมาแล้วเราจะมาอยู่ในปา่าและมามีตม่มาคุยกันอย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราควรจะบำเพ็ญให้เต็มที่ของเราหรือสี่สองคนคุยกันเอา้าดังนั้นไปไปอยู่คนละภูเขากันเอบคล้ายๆว่าเป็นคนละภูเขากันแต่พอตกกลางคืนถ้าเป็นวันพระนะอย่างวันนี้ละวันพระวันนี้เราก็จะจุด ไฟขึ้นมาตอนนี้ก็จะจุดไฟขึ้นมาเออยังไม่ตายพอเพื่อน อ, อ่าเอ่อข้ายังไม่ตายพอตาะครับต่างคนก็ต่างอยู่ อ, อ่าสองคันก็ต่างอยู่ อ, อ่าพอต่อมาทีเดียวอาลือศีคนที่อยู่อีกภูเขาลูกหนึ่ง อ, อ่ามรณะภาพนาาเนี่ตายไป อ, อ่าพอตายไปแล้วกับเพื่อนที่อยู่ท่านี้ก็ไม่เห็นแสงไฟขึ้น วันพระแปดคาขอแล้วสิบห้าคำขอแล้วเดือนหนึ่งขอแล้วโอ้เพื่อนของเราคงตายแล้วงั้นตัว น, นี้ก็รู้ว่าเพื่อนตายแต่เขาไม่ได้สนใจแหละตายแล้วก็ตายเลยทําไหมเกิดแก่เจ็บตายต่างคนก็จะตายตัวเองก็จะตายอยู่แล้วนะนการภาวนานมันเป็นอย่างนั้นนะไม่วิจกิกังวลเรื่องของความตายจากนั้นโพ้ลือสีที่ตายไปแล้วน่นนะไปสู่พรหมโลกไปะนะเพราะอันนี้สงแห่งการบําเพ็ญตระกะของท่าน เออคือการภาวนาของท่านท่านก็ไปเกิดไปเกิดเป็นอยู่ในอยู่ในเกิดเป็นพผอมอยู่ชั้นผมมมโลกอย่างนั้นเมื่อท่านไปชั้นผอมแล้วท่านก็มองดูเออเพื่อนของเราเนี่ยเป็นยังไงว่าแต่ก็มองมาลงมาเห็นลือสีเนี่ยเออท่านมีทุกข์ใจยังไงนะ้าลงไปเยี่ยมเขาสักหน่อยก็ดีนะเพราะเป็นเพื่อนกันผอมก็เลยลงมาลงมาก็มาหาลือสีที่เป็น เพื่อนกันเออฤศีท่านผมขึ้นไปอยู่พรหมแล้วนะผมตายแล้วอผมตายแล้วได้บอมเป็นต่ปะผมตายแล้วผมไปอยู่พรหมท่านฤศีมีอะไรบ้างมีความขาดเถือขาดตกอะไรบ้างที่จะให้ผมช่วยมีไหมที่ความทุกข์ใจมีอะไรไหมที่จะให้ผมช่วยพรหมเขาปวารณาตัวน เ, เพราะเป็นเพื่อนกันฤศีเนี่ยก็บอกโอ้อย่างอื่นก็ ก็พอทนไหวหรอกอาการอยู่การกินก็นตามภะษีภาษาแต่ว่าที่ลำบากใจจริงๆก็คือช้างาช้างเข้ามาในบริเวณบางทีก็ลือ้อกระต๊อบบงังลื้อโรงครัวไฟบงังแล้วก็มาตะกุยมา ข, ขี่มาเยี่ยวใส่บริเวณด้วยถ้าหากว่าตัวนี้เราเป็นที่ที่ลำบากใจ แต่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรเพราะช้างมันเป็นฝูงมานะทางพรมเลยก็บอกเออเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะให้พินสามสายเอาพินให้สามสาย่ถ้าว่าไล่ค า, าถาซะก่อนนะจมคาถาซะก่อนพอจมคาถาเสกคาถาเสร็จแล้วก่อยดีดพินสายหนึ่งถ้าเห็นช้างมานะอยากจะให้ช้างนี้นะดีดพินสายหนึ่งแต่ไล่ค า, าถาจมคาถาซะก่อน พอจมคาถาเสร็จแล้ดีดพินสายหนึ่งช้างจะวิ่งหนีแบบหัวสุกหัวสุนเลยแบบไม่คิดชีวิตเลยว่าไงแบบกลัวที่สุดพอมันวิ่งไปแล้วท่านดีดพินสายที่สองขึ้นมาแต่ไลม่มนบทนี้พอไลม่มนวดดีดพินสายที่สองช้างจะหันหลังกลับปั๊บเลยวงเอะมองมองกลับมาพอดีดพินสายที่สามแล้วก็ไล่คาถาด้วยหน้า ช้างจะเดินเข้ามาแบบเป็นหมู่เป็นมิดเราจะขึ้นขี่ช้างตัวไหนก็ได้จะขึ้นไปขี่คอช้างตัวไหนก็ได้เอาเราผมจะให้พินกับท่านเน่ละ่ะลือสีเนี่ยก็ได้พินสามสายสเยอย่ากนั้นซื่อถีก็อยู่ด้วยความสบายพอต่อมาวันมันหนาวอยากวันนี่ละ่ะเพราะว่านางอัคคะเมเหสีกับหนาวออกไปตากแดดใ ตอนนี้เข้าไปในป่าหิมะพายมันก็ยิ่งหนาวเลยนะเศรษฐีนี่ก็หนาวก็ไม่รู้จะหากินที่ไหนออกไปหากินไกลก็มันหนาวเนละอเศรษฐีก็เอ๊ะนกหัดจรีลิงเนะี่ยมันคงบางทีมันก็ได้ช้างบ้างได้เก่งได้กว้างบ้างมันมากินนะพอกินเสร็จแล้วมันก็กระดูกของสัตว์เหานะั้นก็หล่นลงมาใต้ถุนใต้ถุนไม้ใต้ถุนต้นงิ้วนะออจากนั้นลือศีนี่ก็ไปหาไปหา เก็บเศษอาหารนกนะพอเห็นได้กระดูกเก่าบ้างกระดูกไม้บ้างกระดูกเก่ามา ก, กมาทบๆแล้วก็มาต้มมาต้มใส่หม้อแล้วก็กินกับใบไม้กินกับหลากเหงาบัวบ้างหัวมันบ้างลักษณะอย่างนั้นนะอาหารฤาษีนะอยู่ในป่าตามลำพังคนเดียวในะท่านก็เดินไปไปเพื่อจะไปหาเศษอาหาร จากต้นไม้ของนกขัดจรดีลิงที่บัรเมยมาเคยเกาะกินอยู่ที่นั่นทีนี้พอดือสีไปก็ได้ยินเสียงเสียงคนเด็กร้องอยู่ข้างบนอ้าวทำไมมีเสียงคนวะือสีนี่ก็มองขึ้นไปมองขึ้นไปดือสีก็เป็นใครจะโกนขึ้นไปแต่นางกษัตริย์นะอคัมมเหสสีเนี่ย ท่านบอกว่าจะท่านอย่าขึ้นมานะท่านเป็นสามัญชนอย่ามาแตะต้องกายข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมตายพนะกษัตริย์ไม่ใช่ธรรมดานะพระทิฐิพระมานณกษัตริย์มานณคือความถือตัวของกษัตริย์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ให้สามัญชนขึ้นไปไ ป, ไปแตะต้องหรือไปอุ้มลงมาทั้งที่ตัวเองลงมาไม่ได้นะอยู่บนง่าคบกิ่งไม้ลงมาไม่ได้ ลือีก็บอกเออข้าวใเจ้าเป็นกษัตริย์เหมือนกัน เ, ออเขาเอาแสดงมายากษัตริย์ให้ดูซเซปุณนะนางข้างบนมองลงไปลือสีก็แสดงมาออมายากษัตริย์เนี่ยไม่รู้จะแสดงยังไงก็ไม่รู้ละเพราะเราเราไม่ได้เป็นกษัตริย์ใช่ไหมนางคนนั้นก็เออยอมรับว่าเอออันนี้เป็นกษัตริย์จริงฮจากนั้นก็เลยลือีได้ปีนต้นไม้ขึ้นไปไปก็อุ้มอลูกออค่อยๆลงมา นางคนนี้ก็เลยตามลงมานี่แหละอันนี้ก็คือจากนั้นก็ลูกชายคนนี้ก็คือเป็นพระเจ้าอุเทนนั่นเองทีนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระยาอุเทนนี่แหละเรื่องนิทานเรื่องนี้แหละยืดยาวทีเดียวจนถึงได้อคคมเหสีนางสามาวดีแล้วก็นางมาคันติยาที่ด่าพระพุทธเจ้าทุ่หัวไะแหงที่เป็นอคคมเหสีของพระเจ้าอุเทน เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมาในพระไตรปิฎกนะเพราะนั้นนกขัดจีรีลิงเนะี่ยมีไหมแต่มีแต่ท่านก็ไม่ได้บอกในพระไตรปิฎกชัดเจนว่าหัวมันเป็นยังไงหางมันเป็นยังไงตัวมันเป็นยังไงแต่มันบินได้แต่รู้ว่าแต่วินได้แต่หัวของมันเป็นยังไงท่านก็ไม่ได้บอกชัดเจนแต่คนผู้ที่สนใจคัดคงจะได้ยินเห็นในพระไตรปิฎก ท่านก็คงจะทำอย่างที่ว่าหัวปากมันเป็นห่วงช้างหูมันเป็นหูช้างแต่ตัวมันเป็นนกขาตีนเขามั น, มนเป็นนกลักษณะอย่างนั้นอันนี้คื อ, ค, อความเป็นมาของนกขัดจัดีลิงที่เข้ามาทำเป็นเอกอรักษณ์ที่จะเชิดชูบูชาในงานศลิละขององค์หลวงปู่ของพวกเรานั่นแหละวันที่ห้านี่แหละ ที่4ี่ที่5้าเนี่ยพวกเราจะได้เห็นละเป็นลักษณะยังไงแ้วทางเหนือพี่น้องชาวเหนือมีหลวงปู่ไพบู์เป็นประธานกับสิทธิญนุสิ์ของท่านก็คงจะได้ให้พวกเราได้เห็นลูกหลานกทุกคนจะได้เห็นอย่าได้พลาดนะลูกหลานนะถึงยังไงยังไงก็มาดูวันที่สีที่5เนี่ยคงจะเซตบริบูรณ์และก็คงจะระชุมเพลิงในวันนั้นด้วย นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งสําหรับพี่น้องประชาชนช า, าติยาญาตโยมออพวกเราจะได้เห็นได้เป็นการศึกษาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ก็คือความเป็นมาหรือว่านกขัดชะดีลิงมีจริงหรือไม่มีนะพี่น้องลูกหลานตามมาในพระไตรปิฎกอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวที่หลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษานะและก็พร้อมกันสิ่งเหล่านั้นถึงจะมีหรือไม่มีนะ อันนั้นก็เป็นของภายนอกแต่สำหรับพวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานคือข้อสำคัญก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญ น, นรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงนี่แหละส่วนนี้พวกเราควรจะศึกษาแล้วหลวงพ่อจะได้วันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องวันสิ้นปี แล้ววันพุ่งนี้เป็นวันปีใหม่แต่พี่น้องประชาชนในแต่ละวัดในประเทศไทย เ, เขาคงจะโฆดชนะประชาสัมพันธ์สวดมนต์ข้ามปีอย่างที่ว่ามัง้งข้ามปีปีใหม่ปีเก่าไปหาปีใหม่แต่หลวงพ่อเขา่าก็ขาดี เ, าเป็นการสวดมนต์สวดมนต์ที่ไหนสวดไม่ข้ามปีสวดไม่ข้ามคืนดีทั้งหมดนะสวดมากๆ การสวดมนต์มากๆก็เป็นการทําให้จิตใจของเราเป็นสมาธิพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงหลวงตาของเราหรือว่าครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ขาวอย่างนี้ท่านก็สวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงกลางคืนนะการสวดมนต์เนี่ยก็ทําให้จิตใจสงบเยือกเย็นจิตใจไม่ปงฟุ้งไปทางอื่นอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย เวลาวันไหนคิดคิดูดดสิถ้าพวกเรามีเรื่องวิตกกังวลวิตกกังวลคิดปุงฟุงนะ้งเราจะสวดมนต์ไม่จบแนละนะ้วคืนสวดไปกับตำหน้าตำหลังชนหน้าชนหลังไปเรื่อยเพราะเหตุไรเพราะใจของเราไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าวันวันไหนจิตใจของเรานิ่งจิตใจไม่มีวิตกกังวลเรื่องอะไรนะเราสวดมนต์จะสาเร็จค่อยๆจําจได้ทั้งหมดร า, าบรื่นนี้ก็เหมือนกันการสวดมนต์ก็คือทา ร่มให้จิตใจของตนเองเป็นสมาธินะเราสวดเมื่อใดเมื่ อ, อไรก็ดีเมื่อนั้นละ่พะพอเราสวดมนต์ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รับลึกถึงคุณงามความดีในการสวดมนต์กับมีลำลึกถึง เ, เทวบุตรเทวดาอินพรหมนาคคุด อ, อยู่ในนั้นพอลำลึกเมื่อเราสวดก็เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับเราทั้งหมดนั่นแนหะสวดข้ามปีก็ได้ สวดข้ามคืนก็ได้าทางที่ดีที่สุดน่าจะสวดให้ข้ามภพข้ามชาติไปเลยจะดีเลิศนะถ้าเราสวดข้ามภพข้ามชาติน่ะจะดีเลิศเอ่อคำนั้นสวดยังไงสวดข้ามภพกันข้ามชาติให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นจเกิดความเบื่อหน่ายคลายเออจากน้นกระจิตใจหลุดพ้นจากอาสวัชิเลตไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นเราเลิศประเสริฐถ้าว่าเราสวด ข้ามคืนข้ามรบข้ามชาติได้นะแต่มันก็อันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นแนวความคิดคือไม่ให้คิดหน้าเดียวคิดหลายๆหน้าคิดหลายๆมุมมองแต่เราคิดไปในมุมมองเดียวคล้ายๆกับว่ามันคล้ายๆว่ามันสั้นเกินไปมันอยู่ในจุดเดียวถ้าเราคิดในหลายมุมมองเออใช่ ถ้าเราสวดได้อย่างนั้นน่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแต่ดีที่สุด น, ะนี้ทีนี้ก็มาพูดถึงวันปีใหม่ปีใหม่ปีเก่ า, าปีเก่าอย่างที่มันเราจะสิ้นไปเนะี่ยปีสอง6ันห้ายห้าสิบหกเนี่ยแลพวกเราคณะจตหายาิโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะให้นึกย้อนหลังด้วซว่าปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทาได้คิดอะไรได้ทาอะไรได้พูดอะไร ที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์มีเป็นบุญเป็นกุศล เ, เราได้คิดได้ทำได้พูดอะไรบ้างแต่ทีนี้เราก็คิดอีกกลับมุมกับอีกกลุมมุมหนึ่งว่าในปี 2,556 ที่ผ่านมาเราคิดไปในทางที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีมีกี่ครั้งมีเรื่องอะไรบ้าง อันนี้ก็เป็นบทเรียนทั้งสองทั้งสองอย่างคือทั้งคิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็ทั้งชั่วด้วยไม่ใช่เป็นบทเรียนแต่ทางดีไม่ใช่นะ เ, เป็นบทเรียนทางชั่วด้วยถ้าชั่วเราจะไม่ทําอีกปี255พ้ารถ้าเป็นทางดีและเอเอเราพยายามต่อเติมสิ่งที่เป็นคุณงามความดี25งพห้าบเเราจะพยายามทําให้ดีที่สดุดพอกผูนขึ้นไปเพราะชีวิตของเรา มันหมดไปหมดไปไม่ใช่มันได้นะชีวิตของเราไม่ใช่ได้ไม่ได้ได้ชีวิตมันเสียมันเสียไปเสียอย่างอื่นเรายังหาทดแทนได้เสียเงินเสียทองเสียอะไรเราเราจงแก้ไขปรับปรุงขอคืนได้หาทุนได้แก้ไขได้แต่เสียชีวิตนพวกเราคิดดูสิมันเอาคืนไม่ได้นะอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยปีนี้ต้อง6 9 เออมันเสียไปแล้วหกิบเกเออแล้วจะได้คืนไหมมิจฉาแก่ไปหน้านเรื่อยๆมันเสียไม่ใช่มันได้ไ อ, อ้พอนั้นที่มันเสียไปเนี่ยเราจะอะไรเอาอะไรมาชดเชยมาอะไรมาปรับปรุงแก้ไขก็นอกจากเอาคุณงามความดีนอกจากเอาบุญกุศลเท่านั้นแหละที่เข้ามาเป็นเครื่องพยุงหรือว่าเครื่องปรับปรุงกายวาจาใจของเรา เราจะพยายามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่เราได้ศึกษาได้ฟังธรรมคำสอนได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วข้าพเจ้าจะคิดให้ดีที่สุดทำให้ดีพูดให้ดีสิ่งที่มันไม่ดีชีวิตของเราใกล้เข้ามาแล้วเราจะไม่คิดในสิ่งที่เป็นที่ชั่วช้าเสียหายเราจะทเราจะคิดในสิ่งที่ดีแลก้กการกระทําก็เราจะทําจะสิ่งที่ดี พูดในสิ่งที่ดีคือสรุปแล้วก็คือรักษากายวาจาทั้งใจด้วยนะแต่ว่าศีลนี่คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลแต่ว่าเรื่องธรรมนะี่คือรักษาใจคือสมาธิธรรมสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นอันนี้คือเรารักษาใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้สํารวมกายวาจาใจของตนเองเมื่อเราเป็นฆราวาสญาติโยม เราก็มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีวงศาคณาญาติมีญาติพิสหายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลอย่างคราวนี้ครั้งนี้แหละในงานศพสรีระขององค์หลวงปู่เราพวกเราได้เสียสละเวลเวลามาตั้งโรงทานบั่งมาจัดงานเรื่องต่างๆตามที่หน้าที่ของพวกเราที่แบ่งงานการทำ แวนแล้วจะเป็นงานที่มีประโยชน์ด้วยการทั้งนั้นมีคุณค่าโดยการทั้งนั้นจะขาดในอันหนึ่งไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะว่างานของเราเป็นไปด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีเหมือนกับอาการ32ในร่างกายของเราเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีลิน้นเอ่อมีอวัยะวะทุกส่วนถ้ามันขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งแปลว่าคนนั้นก็เป็นคนขาดอาวัยะวะ อะขาดอาการสามสิบสองเสร็จแล้วนิ้วมือขาดเนี่ยก็ไม่น่าดูเออหูขาดยังไงก็ไม่น่าดูอันนี้ก็เหมือนกันงานของโรงปู่ของเราจําเป็นด้วยกันงานน้ําก็ไปจําเป็นงานไฟก็จําเป็นงานอันไหนต่ออันไหนมีเยอะแยะไปหมดร้อนแล้วแต่จําเป็นและสําคัญแต่เราก็แบ่งงานกันทําคนหนึ่งทํากลุ่มหนึ่งคนหนึ่งทํากลุ่มหนึ่ง นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมาประสานมาประกอบกันเข้าก็เป็นงานที่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะพวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันนี้ก็เหมือนกันโรงทานต่างๆก็ขอฝากไว้มอบไว้ให้กับพี่น้องลูกหลานทุกคนนะพวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลในคราวนี้ในครั้งนี้เพราะว่าจากการจะหาโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่หาโอกาสได้ง่าย ในเมื่อมีโอกาสแล้วพวกเราก็ควรจะทุ่มเทเกายใจของพวกเร า, ส ร, าสร้างบุญสร้างกุศล เ, เพราะว่าการเกิดมาในได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงปู่ของเราเนี่ก็ไม่ใช่ของหาได้ง่ายนะ เ, เป็นของหาได้ยากส่วนหนึ่งในเมื่อพวกเราได้พบอย่างนี้แล้วพวกเราก็ควรจะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศล ให้ใส่กายใส่วาจาใส่ใจของตนเองในหลักธรรมคำสอนแล้วตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อเคยพูดให้กับใครๆได้ฟังเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อได้ยินมาหลวงพ่อได้สังเกตดูอีกต่างหากท่านบอกว่ามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านท่านอินอให้ท่านสังเกตดูนะคนทุกวันนี้ ผมถามดูแล้วคนที่ชั้นปัญญาชนนั่นแะชั้นระดับด็อกเตอร์ทั้งหมดถามว่าผมขอถามคุณจริงๆเถอนะคุณมีความรู้สึกยังไงให้ตอบผมอย่างนั้นผมถามคุณเลยถามเป็นรายบุครายบุคคลเพราะว่าเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารกันมีการประชุมเสร็จแล้วก็เลี้ยงอาหารเป็นร่วนแล้วแต่เป็นหัวหน้าแต่ละนแผนก ในการบริหารจัดการของบริษัทใหญ่ผมก็ถามว่าคุณเชื่อไหมว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์คุณมีความเห็นอย่างไรโดยมากคนที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์มีเยอะนะท่านนะคนร้อยคนเนี่ยตายว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยมันป่าเข้าไปทั้งเก้าสิบนะเหมือนั้นนะว่าตายแล้วเกิดเนี่ยไม่กี่คนนะสงสัยว่าตายแล้ว ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์กลางๆในอกีกในกลุ่มหนึ่งอีกก็ไม่กี่คนอีกเหมือนกันนับว่าในระหว่างสิบคนนั่นแหละนี่แหละขอให้ท่านทั้งหลายหาเหตุผลชี้แจงให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรคําว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์ท่านพิสูจน์ได้อย่างไรนี่แหละอยากจะให้หาเหตุผลเพราะนั้น MP3 พของหลวงพ่อก็ดีที่แจกไปให้คณะสัยา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังนะั้นหลวงพ่อจะเน้นหนักว่าตายแล้วไม่สูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยืนยันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่เป็นพระกรรมฐานถามดูสิว่าท่านมาตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญท่านก็ยืนยันว่าตายแล้วเกิ ด, ด น, น, ก น, น้ า, า ล, นะลูกหลานนะตายแล้วไม่สูญ ถ้าว่าคนคิดว่าตายแล้วศูนย์เขาจะไม่ทําคุณงามความดีเขาจะไม่ประกอบคุณงามความดีเพราะตายแล้วศูนย์อย่างวันพุ่งนี้ไม่มีเราจะทําให้โง่ทําไมเพอวันพุ่งนี้ไม่มีเราจะหาเก็บเงินไปทําไมหากินใส่ปากเสียท้องแต่ละวันละวันแล้วก็จบไม่ต้องเก็บไม่ต้องมีอะไรไงแต่ถ้ามันไม่ศูนย์น่ะจะไดอถึงวันพุ่งนี้น่ะ พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาตัวเองก็ไม่ตายใชแล้วเป็นยังไงเอ้เพ่เองตัวเองไม่ได้ทำคุณงามความดีท้งวันนี้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมในปัจจุบันเอาไว้ไม่อนาคตก็ไม่ต้องทาลายแหละตรงทุกข์แน่แน่แท้อย่างคนโบราณเขาบอกว่าอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขนขวายไม่ต้องทายอนาคตไนะอ้ท่านเขาพูดอย่างนั้นพิจารณาดูสิ อดีตก็ไม่ขยันปัจจุบันก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ต้องทายอนาคตคนนั้นเขาจะเป็นยังไงต้องทุกข์จนแน่แนะเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านว่าพอแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราถามดูสิมาถามหลวงพ่ออินนี่ก็ถามเถอะหลวงพ่ออินนี่คิดว่าตายแล้วเกิดได้ตาเลยสูงโอยอไม่ว่าจะร้อเปอร์ซพันเปอร์็ื่นเปอร์เซ็นตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเอ่ ตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงโอ้อ น, นั่นขอให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทก็แล้วกันหลักพิสูจน์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์ดูแล้วทีแรกท่านก็ไปบปําเพ็ญอยู่ทั้งหปีทดลองผิดลองถูกท่านข็ลองลองพิจารณากายทดลองกายทรมานกายอดภระกยายหารบ้างทําอะไรจิปาถะมากมาย แต่ผลให้สู่ท่านก็มาทรมานใจท่านรูใจของท่านนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญารณรัศนะเกิดฌานพอเกิดญารณรัศนะขึ้นมาแล้วท่านก็รู้ว่าเนี่ย ว, ว่าการเป็นอยู่ของท่านท่านมาจากไหนมาอยู่ที่นี่มาเป็นแล้วจะไปอย่างไรจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตยาน การจุดติของสัรพสัตทั้งหลายท่านมองออกไปข้างนอกท่านมองเห็นสัรพสัตทั้งหลายมาจากไหนมาเกิดแล้วออกจากนี้เขาจะไปที่ไหนท่านก็รู้ได้อีกเหมือนกันทําไมมนุษย์หรือสัตว์เที่รักฉันทําไมไม่เหมือนกันรูปร่างเหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันเพราะพระพยยเจ้าท่านบอกว่ากรมกรรมจําแนกให้สัพพสัตทั้งหลายขนาดเขาคิดเขาก็คิดไม่เหมือนกัน เมื่อเขาทำเขาก็ทำไม่เหมือนกันเมื่อคำพูดออกไปคำพูดก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นกรรมตัวนี้นะ่ะเออเมื่อเขาพูดไม่เหมือนกันเกิดมาพบหน้าชาิหน้า เ, เขาพูดไม่ดีเออปากปิดปากเบี้ยวไปเรื่อยทอนี้พอกกรรมในอดีตของเขาพูดไม่ดีการกระทำไม่ดีมีศีลไม่ศีลนเกิดมาพบหน้าชาิหน้าเออเหมือนเขาเขาฆ่าสัตว์ตชีวิตอย่างเนี้ยเออเขาก็ต้อ ง, องได้รับผลกรรม คือการกระทาของเขาเมื่อเขาฆ่าสัตว์เกิดมาพบหน้าชาดหน้าชีวิตของเขาก็จะสั้นแต่ถ้าเขาได้ลังแกเบียดเบียนสัตว์ไม่ถึงกับฆ่าแต่ทุบตีสัตว์ลังแกสัตว์เกิดพบหน้าชาดหน้าเขาก็มีร่างกายทุพพลภาพเพราะเหอะไรเพราะบาปกรรมในการเบียดเบียนสัตว์อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ะคือกรรมคือการกระทา ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ที่ว่าถึงเที่ยงคืนว่าจุตูปปาตยานการจุติของสรัพรพสัตทั้งหลายว่าการเป็นมาของสรัพรพสัตทั้งหลายนี่เป็นมาด้วยอย่างไรนี่พระองค์ก็มองเห็นได้เพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนั้นแต่ที่มาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นหลวงปู่สาวก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่จามของเรานี่ก็เถอะ ท่านยิงพูดอดีตแต่ชาติถ้าพวกเราได้เข้ามาหาท่านท่านจะพูดเรื่องอดีตแต่ชาติให้ฟังยาวเหย็ดทีเดียวเลยเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรมเคยเป็นพระอินเคยเป็นลุกขะเทวดามากมายที่องค์หลวงปู่บอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆละ่ะอย่างหลวงปู่ล่าอย่างนี้หลวงตามหาบัวอย่างนี้หลวงปู่แหวนอนี้ที่หลวงพ่อไปอยู่ด้วย หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวเนี่ยล้วนแล้วแต่มีอดีตแต่ชาติอย่างท่านหลวงปู่ขาวท่านบอกว่าชาติในครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เกิดอยู่แต่เกิดได้เป็นลูกศิษย์ของพระโกกาลิกท่านว่านะีหลวงปู่ขาวนะถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดท่านพูดนะเนี่ยพอจากนั้นก็ประมาทพระพุทธเจ้าก็ตกนรกท่านว่ากันนะอพอทําถา ถ้าาว่าเราปฏิบัติดีในข่าวนั้นเราก็คงจะไปสู่สวรรค์นิพพานไปแล้วแหละแต่นี่มันเราทำไม่ดีก็ได้ตกนรกแต่เราก็ไม่ตกนรกมากเพราะว่าเราเป็นลูกน้องของพระโกกาลิกเราไม่ใช่ขั้นหัวหน้าเราเข้าใจผิดนะแต่วันนี้เราก็สํานึกผิดขึ้นมาท่านก็เลยมาเกิดจากนั้นท่านก็ได้บาเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาหลวงปู่ค้าวก็กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็นั่งเมื่อนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าปุปเพในวาสานุจติยานปุปเพในวาสานุจติยานระลึกชาติโหนหลังได้นี่แหละอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันถ้าท่านนั่งทั้งถ้าท่านทําจิตใจใจให้สงบแล้ว ท่านก็ระลึกดูชาติของตนเองได้แต่ถึงยังไงก็ตามนะจุดนี้มีศรัทธายาโยมมาถามหลวงพ่อเมื่อเช้านี่ก็เหมือนกันเน่บอกว่าเขานั่งภาวนาแหละเขาระลึกชาติทุนหลังได้มีเรื่องอะไรต่อมิอะไรแต่ตามให้จริงนะเมื่อนั่งภาวนาจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วแต่ผู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกนะ ท่านจะให้ทําจิตใจให้สงบให้เน่งให้จิตพักและเมื่อจิตพักผ่อนเป็นที่สงบผ่านความสงบแล้วท่านจะให้นำมาพิจารณาทางกรรมฐานห้าเกสาโลมานขาทันตาตะโจโท่านไม่ให้ส่งไปตูเทวบุตรเทวดาอินพรมนรกสวรรค์ท่านจะไม่ให้ดูถ้าดูไปสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้าหากว่าเราเไปหลงไหลกับสิ่งเหล่านั้น ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญจุดจุดท้ายนะ่ะเราจะหลงจะหลงในนิมิตและสัญญาเกิดขึ้นมาเกิดวิปัสนูอุปกกเกเรตเนี่คือไม่ใช่วิปัสสนานะท่านนี่ปิปัสนูอุป ก, กิเลสใจของเราจะล่มหลงในนิมิตเหล่านั้นในเมื่อในนินิมิตแั้นมันถอนได้ยากนะท่านนี่เพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลาเรานั่งภาวนาจิตใจสงบ เป็นอุปจารสมาธิจิตใจสงบและจิตใจมันมันออกจากรลกตัวเองนะจะไปเห็นเทวบุตรเทวดาไปเห็นคนตายไปเห็นสรรพสัตต์ไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์จะไปกราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านจะบอเอ้ยอย่านะอย่าไปส่งจิตออกนอกนะทําจิตให้สงบซะก่อนทํามันเห็นนิมิตอย่างนั้นให้ถอยกลับคืนมาหากรรมาฐานเดิมสมมติว่าวเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธ หายใจเข้าพุดธให้ใจออกโทรพอจิตใจรวมสงบ ป, ปุ๊บลงไปนะแหมมันคล้ายๆว่ามันเป็นอุปจารสมาธิจิตใจมันออกไปจากร่างไปไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นเทวดาไปเห็นสิ่งต่างๆให้ท่านว่าอย่าไปดูนะให้ย้อนกลับมาหาพุทโธกลับมาหาพุทโธอย่างเก่านิมิตเหล่านั้นมันจะหายไปเอง แต่ถ้าว่าเราส่งไปนะ่ะมันจะไปเรื่อยนะไปตลอดเ ป, ดปดิดเปิงตารางเปิงปดิดเหมือนกับเห็นดูม้มวนหนังอย่างนั้นนะ่ะดูม้วนนี้แล้วกับม้วนอื่นต่อไปผลที่สุดเลยหลงในนิมิตพอหลงในนิมิตผลที่สุดกนะ็นั่นน่ะเป็นวิปัสสนูเป็นบ้าได้ง่ายๆนะอย่ า, อ ย, าอย่าส่งจิตออกนอกเนอะแต่ถ้าว่าเราภาวนาจนเป็นพื้นฐานมั่นคงแล้วรู้จักทางเข้าทางออกทางไปทางมาถอยหน้าถอยหลังได้แล้ว รู้จักหลบแล้วอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ใหม่ๆเนี่ยถ้าไปทาอย่างนั้นนะเสียคนนะเออมันไปไม่ได้นะอย่าทํานะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหรือว่าหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวที่พวกที่หลวงพ่อได้ศึกษาท่านจะห้ามหนักหนาแต่ถ้าว่าพวกเราเคยชินปฏิบัติไปแล้วรู้จักทางหนีทีได้แล้ว เราจะภาวนาเราจะมองเราจะเห็นอันนั้นอีกส่วนหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็ครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งเพราะเราไม่เคยเดินปลูปรับมาแล้วก็เดินพยองพองตัวไปเลยนะระวังเผอพังเสียเสียเสียรูปแบบเผลอเป็นบ้าได้ไง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษานะสิ่งเหล่านี้ แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าถาว่าจิตใจของเราไปเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่าไปตามดูให้กลับมาหากรรมฐานเดิมมาหากรรมฐานที่เราตั้งไว้เบื้องแรกหามกรรมฐานพุทโธนะครับมากรอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธนะเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปเองนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อเราภาวนาพอจิตใจสงบเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ร่างกายกับใจใจกับกายที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียวบว่าคือรถเหมือนกับคนขับรถพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจเนี่ว่ามนโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเขาบอกเรื่องทั้งหลายฮะร่างกายเหมือนกับรถ อ, อจิตใจเหมือนกับคนขับรถ พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของคนรถโซเฟอร์มากกว่าท่านจะเปรียบเทียบว่าในรถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขับรถคันนี้กระโดดเถวก็ได้กระโดดไปที่ไหนก็ได้ไปชนคู่ชนคนก็ได้เพราะรถคันนี้เพราะโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าถ้าจะบีบแตลดาใครก็ได้ เพราะโซเฟอร์เป็นผู้ขับรถคนันนี้เพราะฉนั้นท่านเรียว่าโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าบอกในบาลีก็าบอกมโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจจะเปรียบเทียบกับเหมือนโซเฟอร์นั่นแนหะคณะทศชา ย, ยาโยมลูกหลานเมื่อรถคันนี้พังร่างกายมันพังโซเฟอร์ออกจากร่าง ออกจากรถคันนี้ไปไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นอีกแต่ก่อนที่จะไปเกิดที่อื่นนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะถ้าเราไม่ได้สนใจไม่ได้ประกอบคุณงามความดีไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลโซเฟอร์ so พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เชื่ออีกต่างหากพอไม่เชื่อแล้วก็ทำกรรมชั่วอีกต่างหากสิ่งไหนที่เป็นความชั่วช้าเสียหายฆ่ากินเหล้าเมายา อะไรก็ตามเราทำชั่วไปหมดที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนั้นโดยมากมันเป็นความชั่วเสียมากกว่ า, เ, าเพราะนั้นมันโดยมากใจตรงนี้มันจะทำชอบทำกรรมชั่วในเมื่อทำกรรมชั่วไม่ได้ทำกรรมดีซะเลยถึงคาวร่างกายด้วยข่าวรถหมดสภาพคือรถคันนี้ใช้มานานมันหมดสภาพามันแก่ แต่พอในื้อสูตรรถมันหมดสภาพมันไปไม่ได้รถแก่แล้วสิบยี่สิปีแล้วท่านนี่ลูกสูบก็ล้วมยางมันก็หมดลูกเครื่องโยนมันก็เสือ่อมงานกลไกลูกสูบมันก็หล่อละล้วมไปหมดจะซ่อมก็ไม่ใช่เรื่องหมดสภาพแล้วเพราะร่างกายของเราถ้าจะว่าไปแล้วคืทนทายาดนะการสัตยาธาญาดโยมนะลูกหลานนะเราเกิดมาจากท้องแม่คิดดูสิ เราไม่เคยดับเครื่องเลยพอเกิดขึ้นมาตั้งแต่เป็นเด็กหายใจอยู่ตลอดกลางคืนก็ยังหายใจเนี่ยว่าไม่ให้ว่าร่างกายทนว่ายอย่างไงแต่ขนาดรถมีแต่เรื่องเครื่องเหล็กทั้นั้นน ะ, เ, ะเวลาเราวิ่งไปเรายังดับเครื่องมันกลางคืนเราก็ดับเครื่องอไว้เวลาเราอยากจะไปเราจึงจะตัดเครื่องมันคอยมันพาไปพอไปเสร็จแล้วก็ยังดับเครื่องแต่ขนาดนั้นก็ใช้เป็น สิบกว่าปีเท่า น, นั้นแหละลดหมดสภาพแล้วแต่นี้พวกเราใช้ทั้ง8 90ปีหลวงปู่จามของเราใช้ถึงร้อสปีเกือบร้อยปีท่านใช้รถของท่านคันนี้แต่หลวงปู่ของเราท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทท่านบำเพ็ญตั้งแต่สัมปะเนนท่านบวชเป็นสัมปะเนนกับหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็ได้บวชต น, นารลาสิขามาช่วยภารกิจธุรกิจของพ่อแม่ ของท่านเพราะว่าท่านสุขภาพไม่ดีตอนตอนที่เป็นเด่นท่านเป็นเป็นร้อยถ้าจะว่าไปนะั่นคือเป็นเดบชาสมัยนู้นขาดอาหารขาดสารอาหารจากนั้นท่านก็กลับมาแล้วก็ได้ทานอาหารครบหมู่สุขภาพของท่านก็ดีขึ้นจากนั้นท่านก็นั่นแหละเป็นหนุ่มขึ้นมาอยากจะแต่งงานแต่งงานเหมือนกันแต่ผลในสุดโยมย้าของท่านโยมแม่ของท่าน โน้มน้าวให้องค์หลวงปู่ได้บวชหลวงพอ่อหลวงปู่ของเราก็มั่นใจคงคงมีอุปนิาสัยบุญเก่าของท่านท่านก็เลยบวชในพุทธศาสนาแต่อายุยี่สบเกปีพอบวชเสร็จแล้วท่านก็เนี่ยบวชตลอดไปเลยใช่ไหนี่แหละหลวงปู่ท่านโซเฟอร์ของท่านหลวงปู่ท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีท่านก็ทําประกอบมาโดยตลอดเป็นที่รักเคารพใน บรรดาสิทยาอนุสิทธิทั้งหลายตอนที่ท่านกลับมาจากเชียงใหม่นะหลวงพ่อว่าอายุของท่านประมาณ60สกว่าปีท้าจะเปรียบเทียบันนั้นอาจจะอ่อนกว่าหลวงพ่อขในขณะนี้นะอาจจะอ่อนกว่าหลวงพ่อที่หลวงปู่จามที่ท่านกลับมาจากเชียงใหม่มาอยู่ที่บ้านห้วยสายที่ญาติพี่น้องนิมนต์มามาอยู่ที่บ้านห้วยสายแห่งนี้ก็ประมาณนะั้นประมาณหกกว่าปีท่านก็นยังเดินยังคล่องแคล่วอยู่ อคงจะุหนุ่มกว่าหลวงพ่อแนะล้วหลวงพ่อจะเข้าเจ็ดสิบแล้วนะลูกหลานนะปีหน้านะเมษาเนี่ยนะเข้าเจ็ดสิบแล้วไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มนะลูกหลานแต่ท่านมาท่านก็ยังมามาอยู่ที่นี่นะสมัครคงจะจําได้นะเสียงสมัครอยู่นั่งข้างๆหลวงพ่อนะี่เอสมัยนะั้นเป็นเนลนหลวงพ่อก็เป็นครูบาพวกนี้ก็เป็นเด็กหลวงปู่จามท่านมาแกะพระแกะพระแก่นขนุน แต่ไม่รู้เอาไปไหนบุญหรอพระแกนขนุนองค์นั้นตามไม่จริงน่าจะเอามาเป็นอนุสาวอนุสรณ์อนุสาวรีย์ของท่านเหมือนกันนะท่านมาที่นี่ท่านไม่เห็นพระเมตถุพระองค์เล็กๆท่านก็เลยได้เห็นแกนขนุนท่านก็มาแกะมาทำํำทั้งขัดทางอะไรโอ้ท่านทำได้สวยนะหลวงพ่อจะเห็นโอ้หลว ง, งอาของเรามีฝีมือว่าท่านสร้างพระ พระแก่นขนุนหน้าตักก็ประมาณสักฟุตกว่าๆเนี่ยล่ะแอนฟุตกว่าๆแต่ความสูงก็ประมาณเกือบสอกครึบนะประมาณนี่แหละทั้งแทน่นทั้งพระที่หลวงพ่อยังจำติดตาติดใจอยู่เพราะว่าเพรไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่รีู้ใครเอาไปพระแก่นขนุนองค์ที่หลวงปู่ของเราได้สร้างทงางศาลาของสมัยนะั้นศาลาก็เป็นสงศาล า, าของหลวงตามหาบัว อเป็นศาลาของหลวงปู่สิงทองหลวงปู่ล่านะที่ท่านได้สร้างเอาไว้แต่หลวงตามาลูกปู่จา ม, มาเนะี่ยท่านก็มาเห็นนะท่านก็เลยเออพระพุทธโลกไม่มีอพอหลวงปูนะ่ท่านชอบกราบไหว้พระนะท่านก็เลยมาแกะพระเนะ่ยโอ้เอาจริงเอาจังนะท่านหลวงปู่หลวงอาของเราแกะพระนะเอาอยู่ทั้งวันไล้ยนะังไะแกะเดินแล้วอไปเดินเดินเสร็จแล้วก็มัดแกะใช้สิวนะ เครื่องไม้เครื่องมือไม่พอแต่เราที่แรกเราก็เห็นว่าหลวงอาจะแกะเป็นอยู่บ่ยังคืนว่านะผลในสุดโอ้หลวงอาแกะได้ได้สวยอีกต่างหากาท่านจากนั้นก็เอาขัดขัดแล้วก็เอาสีมาท า, าแล้วก็เป็นองค์พระได้กราบได้ไหว้นี่แหละอันนี้ก็คื อ, อที่หลวงอาที่ท่านาได้สั่งสมคุณงามความดี เ, เป็น ตัวอย่างของพระลูกพระหลานของคณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานทุกคนบัดนี้ท่านได้จุตินิพพานไปแล้วยังเหลือแต่สรีระของท่านอยู่ในเหียอีกวันที่ห้าที่จะถึงนี่ก็พวกเราคงได้พร้อมกันถวายพระเพงถวายงานพระราชทานเพิงสริระของท่านขององค์หลวงปู่เรา จากนั้นก็คงจะได้จัดการเลือกอธิธาต์เราจะแบ่งหรือจะจัดการอย่างไงจากนั้นพวกเราก็จะได้แยกย้ายกันกลับเพราะได้ประกอบคุณงามความดีกันเต็มที่ของพวกเราทุกๆคนแล้วเพราะนั้นงานนี้เป็นงานที่ แ, แสดงออกซึ่งความเคารพสักการะอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าปูชาจากปูชนียานัง เอตมังคารมุตตมันติบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงปู่จามเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังหลวงปู่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงเส้นคงวาแล้วพวกเราควรจะนำแนวแถวความแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงปู่ของเรานำมาประพฤติปฏิบัต พวกเราก็จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างที่หลวงปู่ของเราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเรารัศดาญาติโยมทุกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ต, ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวอย่างองหลวงปู่จามนี่ท่านพูดนะท่านก็นีนะ่บอกแล้วบอกอีก อดีตชาติของท่านเป็นยังไงถ้าพวกเราได้มาฟังสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มท่านยังพูดได้คล่องนะท่านจะพูดให้ฟังชัดเจนเลยว่าเกิดพบนั้นชาตินั้นอยู่เชียงใหม่อยู่พัทบาลอยู่เมืองลาวอยู่เมืองเวเอยู่เมืองไทยเป็นอะไรบ้าง อ, อ, อยู่ประเทศอินเดียมีอะไรบ้างเกิดมากี่พบกี่ชาติหลวงปู่ท่านจะพูดให้พวกเราฟังได้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา เพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนและท่านก็บอกาตายแล้วไม่สูญเข้าได้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าทํากรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองอาคตังลุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังในโอวาปตปฏิโมกวันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดนะ ความแปลและความหมายก็ว่ากรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเหมือนกับเราทานอาหารที่เป็นเพิดน่ะทานยาพิษน่ะทานสารหนูกินสารหนูเข้าไปพวกเรายังเมื่อสารหนูยังไม่ให้ผลยังไม่ออกเลเน่พวกเราก็คุยได้เอ้ยกินสารหนูเห็นไหม ไ, ม, ไ, ม, ไ, ม, หไหม่ไม่เห็นมันไม่ออกพิษอะไร ใครว่ามันเป็นพิษนะเอแต่เมื่อสารหนูออกพิษเท่านั้นละ่ะผคนนั่นกระทั่ง ว, วกทางอาเจียนฝนสูงก็เลยตายถ้ากินมากนะนี่ก็เหมือนกันนะ่ะอถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วไม่เห็นมันมีอะไรอแล้วมกลัวมันทาไมเพราะกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนนั้นก็ขุีได้โบมไดนะ้แต่เมื่อกรรมชั่วให้ผลเท่านั้นละ่ะอหายเงียบไปเลยทเถอมีแต่ละทมทุกร้องห่มร้องไห้เลยเถอะเพลีย เพราะกรรมชั่วให้ผลผลนั้นพวกเราคำว่ากรรมชั่วแล้วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วกรรมชั่วนันจะให้ผลตอบสนองเมื่อภายหลังเราจะได้รับแต่ความทุกข์ระทมในจิตใจการกล่าวสังเวทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพะัะี รัตนารายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วอนุสง์บารมีขององค์หลวงปู่ที่พวกเรารักเคารพนับถือขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้พวกเราสมหวังดังปราถนาทุกๆ ท, ท่านด้วยเถิน